เนี่ยข้อวัดปฏิบัติเนี่ยไม่หยไม่ว่าจะ ก, การให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิจะเดิญเทวนามแม้กระทั่งสวดมนต์เอ ง, งกิน้วเป็นธรรมหมดข้อมันเป็นการเจริญสติการเจริญสติเนี่ยเขาก็หาอุบายให้เราทําแต่ที่เราไม่เข้าใจว่ามันเป็นการเจริญสติเราก็ปฏิเสธถ้าไม่สร้างอุบายให้โดยเฉพาะทางพระเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะฝูกฝังให้เราเป็นโดยธรรมะก็ไม่ม อย่างเช่นสวดมนต์บางทีสวดมนต์เนี่ยจิตก็พุ่งไปในการสวดมนต์ทำว่าเนี่ยบัดเนี่ยมันก็เกือบไม่คิดเรื่องอื่นพอสวดมนต์ออกมาในจิตใจก็ค่องใส่นะอือพอมันไม่ผูกนิวรณ์ครอบความวุ่นวายไม่เกิดในใจมันก็หยุดทักจิตไปขนาดนึงมันก็คือสมาธินั่นเองอย่างเช่นเราทําเนี่ยอย่างเช่นอยู่สมัยอยู่ที่ประยองเขาก็นั่งสวดมนต์เขาก็สวดกันนะสวดสวดแล้วก็สวดไปเขาทั้ะ จิตลงมีสติแล้วลึกรู้จากจิตตลอดอยู่ดีมันก็เกิดลุกขึ้นมาในจิตปากก็สวดแล้วก็รู้หมดอ่ะแต่มีอาการของจิตปรากฏเป็นภาพนิมิตเกิดขึ้นเป็นสมาธิมองเห็นไปในรอบวัดหมดแล้เที่ยวมองเห็นวิญญาณมองเห็นไอ้ที่มีผู้หญิงใส่ชุดขาวสวยมากเลยแต่มันไม่ใช่ไม่ติดมนุษย์ออีกไม่ติมสวยงามมากอยู่ในข้างอยู่ในศารข้างข้างสารใหญ่ที่ระยองของแม่น้ำ และสารนั้นเนี่ยที่เราดูแล้วก็สอบถามดูว่าใครมาตั้งเขาก็มาตั้งกันอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้มันเชิญอะไรแต่วเขาก็มาตั้งหลอกไว้กันอืมแต่มีอยู่เขาก็มาศัายก็เองมีทีนี้มิติเราเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเราเป็นสมาธิมันเราจะบังคับให้มันเกิดก็ไม่ได้ว่ามันเกิดมันก็เกิดขมันเองก็จิตเรามั่นคงเป็นสมาธิอืมนะี่ยเพาะว่าตอนนั้นในช่วงนั้นก็ออกจากพุดโธใหม่ใ่ด้วยจิตจะตั้งมัน่ขนขณะนั่งสมาธิใ น, นกําหนดจิตให้สงบ พผ <Humans. S 1> ีวิญญาณยังกิดพลุบขึ้นมาในหน้าอกเห็นหมดเลยเขามาขอส่วนบุญมาขอส่วนบุญล้วก็ตั้งจิตกําหนดอธิษฐานบารมีที่เราสร้างมาดิปปัจจุบันแล้ที่จะทำส่วนอนาคตขอแผ่ส่วนบุญนี้ให้แก่สัพวิญญาณทั้งหลายเขาได้รับโมทนาให้ไปสู่สุคติอืเขาก็ได้รับมันก็คลึบหายไปเหมือนกันหายไปเลยเนี่ยมันก็ปรากฏของมันเอง เหมือนที่มองดินทะลุเนี่ยมันก็เป็นสมาธิมันก็เห็นเข้ามันเองออืมันจะเกิดมันก็เกิดเหมือนเกิดยานเน่ยมันก็เกิดข้งมันเองดังนด้นเราท้องบอกว่าถ้าการเจริญสติบางทีไม่ต้องนั่งสมาธิแล้วถ้าเราทําสติต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ขาดสายมันก็เป็นสมาธิอย่างที่เป็นนะอือมันก็เป็นเองแทเนี้ว่าเราแล้วแต่ว่าใครจะเกิดอย่างไรมันอาการของจิตเนี่ยมันเกิดได้ทั้งหมดอืมันเป็นการที่ทําจิตให้เข้าไปอีกอยู่ในสภาพของอิงมิติหนึ่งได้เชื่อมโยงได้ แสิงเหล่านั้นก็เป็นจริงอยู่แต่เป็นจริงอย่างไรมันก็เป็นภพชาติเป็นจริงอย่างไรมันก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วมันมีเหตุปัจจัยมาทั้งนั้นเลยสําหรับคนรู้ก็ไม่ละะไมลหลงเพราวะว่าถ้าใครไม่รู้ก็หลบเพราะว่าเนี่เราเก่งแล้ะเราเข้าใจเรารู้แล้วเราทำได้อะอทําได้ภูกใจไเห็นรู้เห็นนี่จรอจริงเลยคือ จ, จะเห็นอย่างไรก็ไม่คนรู้ก็ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวตนในภพชาตินี่จริงก็ว่างจากความเป็นตัวตนทั้งสิ้นเลย ที่แท้จริงมันเกิดจากใจเราเองที่เราไปยึดนั่นเลยถ้ามันเห็นด้วยปัญญาแล้วเนี่ยจิตมันปลดถอด้วยโัตมัดแล้วเนี่ยมันก็มันเป็นธรรมอยู่ในใจอะไรปรากฏมันก็ไม่ติดอืออะไรเห็นยังไงมันก็ไม่ติดถึงเราจะไม่พิจารณาหรือจะพิจารณาก็ตามะมันก็ไม่ติดเพราะมันเป็นมันมีในใจอออืนะเขาเรียกว่ามันมันมันใจมันชอบมันถึงแล้วอย่างนี้มันจะเกิด จริงๆปัญญากับจิตมันรวมเป็นอันเดียวเัยพออะไรเกิดขึ้นกับจิตปัญญามันก็อยู่ในนั้นแหะมันก็รู้แจ้งในจิตนะการที่อยู่ในจิตเดือดตโนบัตใช่ที่เราไม่สร้างปัญญาสร้างบารมีจริงๆหรือการสร้างปัญญาเราก็จะให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีทําสมาธิก็ดีเนี่ยจริงๆให้เกิดปัญญานะั้นมันเป็นหนทางให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญารู้ชอบตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะเทิถอดเพราะมันไม่หลงในความ จริงที่ปรากฏที่เรารับรู้อาราสภาพธรรมตามความเป็นจริงก็เป็นอยู่อย่างนั้นเองเราจะสมมุติว่ามันเกิดกับสมมุติว่าแปรตัวมันก็จริงทั้งปวงอย่างเร่นร่างกายที่ว่าไม่ใช่ตัวตนเกิดมาก็มีความเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่เป็นคนอายุ ม, มากในที่สุดก็ต้องแตกดับกลับเตืนสู่สภาพเช่งเดิมคืออดิ้นรนไปลงที่แฝงแผร่กระจายออกไปมันหาบุปคลธรรมนี้ไม่ได้มันจึงขึ้นชื่อว่าชีวิตเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของจริง ไม่ใช่ตัวตนแต่ในสภาพธรรมถ้าเราไม่ได้พิจารณาในตัวเนี้นะธรรมที่เราได้พบเนี่ยมันว่างเลยมันว่างเลยมองตรงไหนเขาห่า ง, ม, งมองไหนาะว่างเขาบอว่างนี่คือไม่ติดใจแล้วไม่สมมุติไม่มีบัญญัติไม่มีภาษาที่จะไปพูดไปเรียกอะไรไม่ได้ทีนี้นนหลักการสอนเนี่ยเมื่อเราเห็นแจ้งตรงเนี้ยมันก็เลยพุ่งไปในรูปธรรม ท, ที่เราเห็นที่เราติดใ น, นรูปธรรม ท, ที่เราเห็นที่เราติดตัวเห็นถึงกฎธรรมชาติที่แปรปรวนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่สลายไป ความตายเออความตายจริงๆก็ไม่มีความเป็นจริงก็ไม่มีที่ว่าไม่มีสจ้ขอนี่คือทับสภาวะของสัรมกธรรมชาติที่มีอยู่อ่ามันไร่ซึ่งภาวะอัตตา จ, จะผิดก่อดมันก็เห็นแจ้งตรงนี้นะภาวะตรงนี้มันจึงทําให้เราเนี่ยลดความเห็นผิดลดความหลงทั้งปวงมันก็ตีกลับเข้ามาโอ้ธรรมชาติธรรมะเป็นอย่างนี้เองอย่างนี้อะไรที่อะไรที่เคยท<ม>บรูมาที่มีมาทำเหตุสัตวใจที่ก็บางเอิญมัง<า>เลย มันเลยอัตโมัตเลยใช่แม้กระทั่งจิตตัวเองก็ยังไม่สร้างอะไรว่าคือจิตเลยมันดับหมดแต่สิ่งนี้ก็สมบูรณ์มีครบองค์ประกอบถึงมันไม่ครบองค์ประกอบเมื่อถึงองค์ประกอบนี้มันแตกดับไปแล้วมันก็มันไม่มีความหมายใดๆเพราะมันไม่มีที่เกิดใช่ไหมมันไม่มีตัวสร้างอะไรกับจิตอแต่เนั้นถ้าเราไม่พูดว่าสิ่งสิงหนึ่งคือจิตจิตคือสิ่งสิ่งหนึ่งก็ไม่จะพูดอะไรอ่ะอืเพราะจริงๆิจิตมันก็ไม่มีมันคือธรรมชาติเท่านั้นเอง กฎธรรมชาติที่มีอยู่แบบบริสุทธิ์แต่กฎธรรมชาติมันสร้างได้เมื่อมันรวมประชุมปงแต่งกันไปธรรมชาติแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดภาวะหลงได้แมันหลงแบบไม่รู้เรื่องเลยด้วยนะหลงแบบตายใจเลยอแต่เนี่ยเขายังมีตัวปทสะท้อนความความหมาย่สามารถจะเห็นจิตตัวหนึ่งได้เมื่อมีธรรมเป็นที่ตั้งแล้วเขาก็เลยมีหลักคําสอนหลายหลาอย่างพระเจ้า ความประมาทเป็นทางสู่ความตายอย่างนเพราะอะไรความตายที่ความทุกข์อืะทุกข์ก็คือความตายเรายังมีตายอยู่กับทุกข์เด็ก็ไม่รู้ว่าประมาทอะไรนี่ไรอะเลยใช่แต่ก็เอาทําเป็นที่พึ่งก็หมายถึงเ่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวก็คือว่าอย่าทิ้งทำก็รู้แค่นี้ถ้าปฏิบัติกันไปคนเราจะปฏิบัติสายไหนเนี่ยก็สามารถถึงทำได้ ถ้าเรามีวัฒนาเกิดปัญญาเห็นถึงความไม่จีรังยั่งยืนในความแปรปรวนของกองาตาในรูปธรรมกองท่าในรูปธรรมเนี่ยมันก็จิตมาอาศัยรูปธรรมเมื่อรูปธรรมมันแปรปรวนนามธรรมมันก็แปรปรวนไปตามรูปธรรมเพราะมันเชื่อมอาศัยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในที่สุดนามธรรมนั้นดับแตกดับเพราะรูปธรรมก็แตกลับไปด้วยมันก็หายซึ่งกันเชื่อมโยงกันไม่ได้มันเกิดมารูปมีนาม ก็เพราะมันมีชีวิตที่สมบูรณ์มันจึงมีเหตุปัจจัยในราะว่าของเหตุปัจจัยสําหรับผู้รู้เนี่ยมันก็จะเห็นธรรมชาติที่มันเป็นโดยบริสุทธิ์นะ่ะมันไม่ได้มีกิเลสนะและหากิเลสมีที่ไหนในโลกนี้ในธรรมชาตินี้ไม่มีเลยความเข้าใจผิด <c oughs> มีชื่อเล่น <c oughs> เราก็เลยยึดมั่นถือมั่นเราเกิดความทุกข์ <c oughs> ก็เลยต้องบัญญัติว่าตัวเนี้ยคืออุปทาน <c oughs> ตัวเนี้ยที่เรายึดเข้าไปแล้วนะั่นคือกิเลส <c oughs> เพราะกิเลสจริงๆนะ่ะที่สมมติเนี่ยจะรู้ได้งไงเป็นกิเลส คือจิตถ้ายังเกิดความเศร้าหมองเจ็บอยู่นะคนนั้นขึ้นชื่อกิเลสคือคือความทุกข์ยังเกิดขึ้นอยู่<ม>นั่นแหละคือตัวกิเลสเนื่งจากกิเลสมันสังสมไว้ไม่ยอมคลายเขาก็เลยเรียกว่าอาสวะอื ม, มันเรียกหมักดองไว้เก็บไว้สังสมในความไม่ดีไว้อยู่ในใจืมจริงเรียกว่าอาสวะกิเลสทําให้จิตเศร้าหมองหมักดองในทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เป็นตัวตน<ม>แล้วก็มีภาวะสะท้อนแห่งโลภ ก, กดหลงตลอด มีภาวะของความยึดมั่นถือมั่นมีที่ตั้งของจิตที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาอยู่ในจิตอยู่ตลอดเวลาให้จะประารถนาหรือไม่ปรารถนาถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะทุกคนก็มีความปรารถนาและไม่ไม่มีความปรารถนาเลยกลายเป็นจิตมีทีตั้งก็เลยตั้งหมดเลยยึดตลอดเวลาอืมนี่พบชาติเกิดขึ้นก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเพราเรามันเกิดขึ้นอย่างไรมาอย่างไรไปอย่างไรไม่รู้ที่มาของเราเราไม่รู้เราจะไปไหนไม่รู้ว่าเราสร้างอะไรไว้ ไม่รู้เหตุรู้ผลในชีวิตจิตใจเราเลยไม่เข้าใจมีความแจ้งในชีวิตเลยอืในความตรงนี้มันก็เลยเป็นสภาพที่เป็นธรรมชาติอันเกิดจากความเห็นผิดความมัวเมาความไม่รู้ก็เลยทําให้เรานั้นต้องฝูกฝังสิ่งนี้ให้เวียนว่าตายเตยไม่รู้จะจบสิ้นไปอืก็ต้องเป็นอยู่เนี่ตลอดกาลถ้าใครไม่ค้นพบไม่ใครไม่มีความปรารถนาที่ก็เลยวนอยู่ในภพสามนี้แค่นั้นเองก็เป็นวัฏฏะเรียนว น, นอยู่นั่น ทีนี้เกิดมาชาติหนึ่งบางทีทําดีเราก็ไม่รู้ว่าดีอมันจังต้องเป็นภพทําชั่วบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภพเราทำอย่างไม่รู้ถึงรู้เราก็ไม่รู้ว่าทางออกจากภพเป็นอย่างไรดังการสังสมแต่เจิตที่เป็นอัตวะที่หมักดองไว้ไภายในเก็บไว้เนี่ยมันมีทั้งดีและชั่วเพราะนั้นเมื่อร่างกายแตกดับไปเนี่ยตามสภาพตามคว า, ามาเป็นจริงของกฎอจริงใจ ท, ที่จะต้องเป็นไปตามกรรมเนี่ยมันก็เลยไปเกิดภ พ, <S <S พ<บ>เกิดชาติตามภพภูมิที่ อ่าละเอียดอยา<ม>่างในอย่างปลาหนี้ติดแ ต, ต่ละดีก็ยังเป็นอสวะอยู่ใช่เขาเรียกว่าเกิดไปในพบน้อยพบใหญ่อ<ม>ืที่บอกไม่ได้เเนี่ยนี่มันคือความเบียนบนเบือนบ่ายตายเกิดของชีวิตของจิตนี้ที่จะต้องวิ่งเล่นไปตามอำนาจของกิเลสเนี่ยที่ความเป็นตัวตนก็ต้องไปสร้างพบอย่างเนี้ไม่มีที่สุดจะว่าทำดีก็ เดือนต้องมาบนอีกแล้วทำดีเครืงวนพอดี ม, มันยังเป็นตัวเสพอารมณมนะ์เพราะว่ามันเป็นอมิเอืมชั่วก็เป็นอมิเอืมเสพอารมณ์ทั้งหมดเลยแม้แต่ความดีหรือสมาธิมันก็เป็นตัวเสพถ้าตัวไหนเสพเนี่ยคือกดตัวที่เราไปตั้งพบตั้งจิตที่มีพบชาติดีตลอดเวลาขันหมดบุญไปตรงนั้นก็ต้องไปสมุนทบนั้นใช่เพราะเราจิตเราสร้างไว้แล้วเก็บไว้แล้ว ถ้าถ้าเป็นนิรามิศเตศเนี่ยหมายถึงว่ารู้เสพแบบไม่มีอารมณ์ยึดติดนี่เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ของพอระเยบุคติรู้มันเสพรู้อารมณ์แต่ไม่ติดในอารมณ์ใช่ไหมเนี่ยเป็นคําของพระอริยะเจ้าอืแล้วตรงเนี้ยเมื่อถูกทําลายไปแล้วในจิตไม่มีที่ตั้ง่ะของกิเลสอสวาเพราะมันไม่มีตัวเสพอารมณ์เนี่ยออืไม่มีอะไรอะไรเลยเยมื่อขันแตกดับไปแล้วมันจที่เกิดตรงไหนพบไม่มีในจิตแล้ว ไม่มีแล้วแต่ระหว่างที่ยังที่อาศัยอยู่นี่ก็ว่างเออว่างก็ไม่ได้เป็นอัตราเพียงแต่อาศัยเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์ของชีวิตก็สายไปตามไม่เียกแตตัวเรื่องใหอาศัยจนกว่ามันจะแตกดับที่สุดตามตามลักษณะของรูปธรรมนามธรรมที่เขาเป็นไปโดยธรรมชาติธรรมชาตินี่ก็เป็นอยู่อย่างนี้อตรงนี้ตัวซึ่งพบซึ่งชาติที่แท้จริง นิดเดียวนะนิดเดียวขึ right. mm ้นตาเดียวใช่มันเหมือนอะไรมาปิดบังนิดเดียวแหละปัญญาเนี่ยทีในการศึกษาเนี่ยธรรมะมันมากมายเลยเกินอสมมติเั็นอยากมันเยอะอใช่ต้องรู้ลูบลูน้ำรู้สติสติกระทบสัมผัสมันเกิดขึ้นเพราะมันต้องอาศัยคําพูดว่าเห็นสีเห็นสีก็ยังเห็นก็ยังเป็นสีอีกก็ยังสร้างว่ามันเป็นในนั่นเป็นในนี่สมมติว่าเป็นอย่างนี้อีกเมื่อมันสมมติอย่างนั้นมันก็ยึดติดตรงนั้นะหมด มันไม่เห็นว่าธรรมาชาติถึงจะสมมุติหรือไม่สมมุติก็มีอยู่อนะถ้าสมมุติเสร็จแล้วนระาเราก็ไปยึดติดมันมันก็สร้างสิ่งตนติดสงบกอยังติดอยู่นั่นแหละติดสงบมันมีตัวตนหมดไม่รู้ตนเลยนะนหลงกันมามากต่อมา ก, ามากนะแล้วแล้วทีนี้ยมาหน้ทิพย์ถือดีถือตัวถือตอนความเป็นตัวตนมาตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้กว่าเขาเาข่ขเเงเขาทีนี้ก็ปฏิเสธทุกสรรพสิ่ง ใช่พอได้ยินได้ฟังพระสัตธรรมก็ไม่สามารถจะรู้ได้จิตมันน่าขมกบแหลยใช่เพราะมันสร้างไว้ในจิตและในความรู้นั้นมันก็ปฏิเสธทุกอย่างแต่ถ้าถ้าถ้าไม่ตูงความเห็นตนนี่ไม่เอาเลยไม่เอาเลยถ้าเห็นตรงกันเออใช่สมัยพุทธกาลรัตทิั้งหกนี้ก็มีความเห็นไปลักษณะนี้แหละเหมือนกันหมดหมดเพราะว่ามันเป็นจิตของปุถุชนที่ยังเกิดในภพชาติก็จะมีเห็นแบบเดียวกพยายามนะ พยายามที่จะให้สิ้นทุกขนเหมือนกันเนอะใช่ทีนี้ว่าถ้าเจอมังกรในแปดผมไม่มีปัญญาความอิจฉาความนิสัยความพยายามตัวนี้ก็ยังเกิดอยู่ตลอดเลยค่เกิดตลอดตัวเองจะด้อยกว่าใครก็ไม่ได้ไม่ได้มันต้องเหนือเขาต้องเป็นผู้รู้สําหรับผู้ที่ว่างแล้วเนี่ยหรือว่าปฏิบัติจนเชื้อไข่หมดเนี่ยเขาก็ไม่จะบอกว่าเขารู้ถึงเขารู้เขาก็รู้โดยสมมุติเขาก็ไม่จะ้บอกว่าเขาเก่ง แล้วเาก็กมาได้บอกว่าเขาสาเ ร, รก็ไม่ได้มีว่ามั น, น, นี้อยู่เลยใจเลยมันเป็นเพียงอาการเท่านั้นเองที่สังสมมาไม่เหมือนกันแต่ว่าในความยึดติดไม่มีคนถึงทรเน่ถึงจะมาปฏิบัติมาสายไหนก็จริงอะถ้าถึงทำแล้วภาษาดเดียวกันหมดไม่มีขัดไม่มีแย้งกันเหมือนกันหมด มันตกถึกอยู่ที่ฟอสซิ่ไปถ้าทําใดไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไม่ได้เป็นไปหนทางที่จะสะละละวางออกจากกิเลสหรือความคิดเป็นอุปทานได้มันก็มันก็ไม่ถูกต้องทั้งนั้นะมันก็เป็นธรรมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ตรงกับธรรมที่พุทธเจ้าที่เขาเรียกว่าธรรมที่เป็นมากธรรมที่เป็นผลธรรมที่เป็นมากคือหนทางปฏิบัติ เมื่อปฏบัติถึงแล้วมันก็เป็นผลคือเป็นสัจธรรมที่แท้จริงอาการของเทียนนี่มันวุ่นวายจะมันก็จะสิ้นสงสัยได้เองก็สิ้นเองสิ้นเองก็ไม่ต้องมีใครบังคับด้วยเ อ, อาการละวางก็ไม่มีใครบังคับด้วย อ, อจะปฏิบัติธรรมก็มีใครบังคับด้วย อ, อความจริงเนี่ยมันพาเราไปเองสัจจะจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ได้หมดเลยเออ ไม่เลือกชาติชั้นบรรดาที่เสมอกันี่มันเรื่องจริงอมันเพียงแต่ลูกภายนอกพอลูกภายนอกธรรมชาติที่มันเสมอได้ไม่มีสัดถึงคนตนเราเขาพอหลงรูปปรากฏเนื้อแต่นเพราะไม่มีบัญญัติใดสิ่งนั้นพอหลงเพราะว่ามันก็เหมือนกับเอาตัวตนก็เหมือนเอาหัวขนมาใส่มันเราเป็นนั่นเป็นนี่ถือดีกันไปเวลาจะสนธนาธรรมก็ต้องอาศัยแต่ตัรสาวบัญยัติเนี่ย คนที่อยู่นนมีปัญญามากเขาว่าสูงว่าเขาไอคนที่มีปัญญาน้อยก็หาว่าตัวเองเงินด้ยอยต่ำ่าเขาแท้ๆมันไม่มีมีสูงมีต่ำเรพราะนั้นชีวิตเนี่ยมันจะอยู่ในสถานะใดก็ได้ในโลกนี้ ไม่ต้องไปดีใจหรือเสีย อ, อกเสียใจ <c oughs> ยเดี๋ยวเผชิญเงียเห็นปัจัยอย่างไรของโลกเ้าก็ <c oughs> มันก็ไม่ได้ติดเลยอย่เช่ค <c oughs> เ น, นความเป็นผ้าเนี่ยความเป็นพ้าเนี่ยเราก็เออเราไม่ได้เป็นใหญ่เราไม่ได้เป็นเจ้าว่าไม่ได้เป็นสังฆธิการไม่ได้มียศโอ้โหมันน่าน้อยใจน่ะแหละ <c oughs> อย่างเช่นวันเนี้ยสอนธรรมาอะมอยู่เขามีวันพ่อเนี่ยเขามีอเอ่อ อาสาจิตอาสาของของการไฟฟ้ามาอืเขาก็มาบอกว่าเขามาปัดลานวัดมาทําความสะอาดมันพ่ออเราก็โทรศัพท์ให้เจ้าวาดมาเสร็จ แ, แล้วขอว่าขอไม่กวาดก็เลยบอกพระให้เอาไม้ปัดมาบริการขอให้เขาทำเดี๋คนมาท่านเป็นเจ้าวาดหรือเปล่าบอกไม่ได้เป็นเจ้าวาดพอไม่ได้เป็นเจ้าวาดหันหลังปั๊บไเปเลยไม่คุย ด, ด, ด้วยเลยเดือดเลย <laughs> ใ่เออแล้วถ้าเราเป็นเราเนี่ยเราในถ้าคิดแบบเป็นลูกวัดหรือคิดแบบอยากเป็นใหญ่เป็นโตแล้วโอ้โหวก็น่าน้อยใจนะไม่เคยสนใจหรอกแต่จริงคุณหลอกของกันมนิยมคนก็ยึดติดกันไปหมด <S <S 2> <S 2> ไ, ห<น>ไม่เอาความจริงปัจจุบัน ไ, มไมเอาที่จะช่วยเหลือที่จะทำกันก็ต้อง เ, เอาตามนั้นตามนี้ไป แล้โลกก็ถูกขัดข้องใจกันอย่างนี้ตลอดจิตอาสาก็ต้องเป็นรูปธรรมด้วยนะนระูปธรรนี้ก็ต้องให้เป็นรูปธรรมต่เป็นรูปแบบส่งผลงานกันขัดขัดข้องใจครับครับแทนใจ <c oughs> ก็อยากจะ ก, กระตุ้นตัวเองให้เหนือขึ้นมา <c oughs> ให้เด่นอยู่ในโลกนี้ให้เขาดยิ่งใหญ่ให้เขายอมรับ้มีสักมีสีหลงทั้งเท่พอเจอก็เกิดแต่ความทุก ใช่ครับพิจารณาก็มีแต่ความทุกข์น้อยกว่าเขาก็มีความทุกข์อยากใหญ่ก็มีความทุกข์เมื่อใหญ่ขึ้นมาก็อยากจะสั่งการอยากจะอนุนัยนี่ใครไม่เป็นไปตามใจที่เราปรารถนาก็มีความทุกข์โอเคเดี๋ยวทุกข์มันจะเสื่อมไปจะหมดไปก็มีความทุกข์ต้องรักษาไว้รักษารูปแบบไว้ทำให้ถ้าไม่มีผลงานเดี๋ยวเขาจะปลดเอาก็ต้องรักษาไว้เดี๋ยวมีทุกข์อีกเดี๋ยวเขาไม่ยอมแล้วพี่หลายอย่าง แค่ความต้องการในโลกแค่นี้บางคนเรียนมาที่เห็นเนี่ยเรียนมาบ้างภาษาบ้าเขาน่ยก็ต้องคอยพูดคมเข้าไว้ความรู้ถ้าเกิดมาก่อนเข้าบวชมานานอความรู้ใครเยอะก็ต้องคมเข้าเดี๋ยวเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับเออจริงๆก็คือทุกข์ตัวตนนะอุปทานแห่งตัวตนชาวถึงบอกไม่ให้เป็นไปเพื่ออยากใหญ่อื ไม่เป็นไปเพื่อการสั่งสมกองกิเลสไม่เป็นไปเพื่อความลักคนต่อโมที่บอกไว้หมดแล้วเไม่เป็นไปเพื่อความเกลียดค้านไม่เป็นไปเพื่อความมากๆต่างเพื่อจะได้ปลดปล่อยอย่างเดียวเลยแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงให้ได้เพราะมันเป็นความจริงทุกอย่างมีแต่ความจริงเท่านั้นแต่เราไปสร้างถือตามโลกมันก็เลยต้องร้อนใจต้องตะเกียดตะกายกันไม่มีที่สิ้นสุด แล้วคุณธรรมจะเกิดตรงไหนไม่ตาธรรมจะเกิดตรงไหนเอาปัญญาธรรมจะมีได้ยังไงไมมีติดกันแบบแ้นหมดเลยใครยกยอพอปันถูกใจก็เอาไปพวูดคนไหนไม่ยกยอพอฟันไม่เข้าใกล้ก็คนนั้นไม่ดีมไม่ เ, าเอาอกตติเขาเกิดขึ้นความลำเอียงก็เกิดขึ้นเป็นสันดาณของปุถุชนซึ่ไร้ซึ่งปัญญาอืความยุติธรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือมันไม่สิ้นสุดเลม ดี ท, ที่สุดเลยเลยเราเห็นทีเดียก็จะเวียนไปเวียนมาตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าเป็นกุศลเงินไม่ใช่เนอะแอบแฝงอยู่ถึงกุศลที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะถ้ายังไม่ละ ก, กิเลสมันก็ถูกแอบแฝงอยู่อืรพอจิตใจดีมีเมตตาแบบโลกเนี้ยตั้งอยู่ในคุณงามความดีอแต่สิ่งที่แอบซ่อนมันยังไม่กระเพื่อมถ้าพูดถึงใจขึ้นมาตรงขึ้นมากระจุดตัวเองขึ้นมาก็กระเพื่อมมันก็ต้องมีความโลภโกรธหลงต่อ ก็มองเห็นคนทั้งหลายมีดีมีชั่วแบบอัตตาอยู่คนนั้นมันชั่วคนนี้มันดีต้อทําลายมันใครไม่เข้าพวกก็ต้องทำลายถ้าใครเข้าพวกก็อยู่กันได้อยู่กันได้ถ้าไม่เห็นตรงนี้การแผ่ จากคุณธรรมในใจที่จะให้คนอื่นเขามีสุขรือสัตว์อื่นเขามีสุขก็ไม่ปรากฏขึ้นอย่างแท้จริงทีนี้โลกก็ต้องขัดแย้งกันล่าไปไม่จบหาสันติภาพไม่ได้มันต้องอาศัยกฎกฎมันกดไว้จริงๆเนอะกไว้ไม่ให้มาเบียดเบียนกันทั้งโลกแรมเหมือนมีปัญญานะ แต่กิเลสที่ไม่เห็นกิเลสไม่เห็นเลยสิ่งที่จะทำให้เกิดบาปขึ้นในใจใเกิดความทุกข์กับตัวเองและก็สังคมนี่ก็ไม่รู้จักไม่เห็นเราเรียกว่ามีสามรถสำนึกก็เรียกไม่ได้การแสวสสำนึกเ ป, นเป็นคุณธรรมในความเมตตาแปลว่าความรักเนี่ย ความลักในภาษาบอดีก็เรียกแม่ตานั้นรักก็รักทุกคนแต่รักด้วยคุณธรรมรักด้วยปัญญาธรรมจะจจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ไ ม, ไม่ไม่ครบไม่ครบองค์ประกอบคือมันไม่รู้รอบมันก็ต้องเป็นอคติถ้ารู้รอบแล้วก็เห็นกฎธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองเี่ยมันก็ต้องเกิดแม่ตาแนละเกิดคุณธรรมนะเพราะว่าความหลงของสัตว์โลกมันสูกครอบงำ เหมือนพุทธเจ้าในสงสารเมตตาต่อสัตว์โลกนะพอเห็นสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าไปเกิดในแผ่นดินของริเดียนนี้ก็เพื่อจะทำลายความมีผิดพ้าดมันก็เปเยอะด้วยใช่เขาจึงสมมุติเรียกว่าเป็นอริยประเพณีของพุทธเจ้าอืที่ต้องไปเกิดในสิ่งเหล่านั้นที่ตรงนั้นเพื่อจะได้ประกาศขึ้นมาคําว่าประเพณีอริยประเพณีก็ยังไม่เข้าใจ อ, อริยะเนี่ยเขาแปลว่าประเสริฐ แล้วสิ่งใดประเสริฐก็ทํานั่นแหละประเสริฐแล้วประเพณีที่เป็นธรรมนะจึงเรียกเรียบประเพณีก็เพื่อให้เราเนี่ยมีคุณธรรมเกิดถึงธรรมละกิเลสได้อืนี่การทําเรียกประเพณีไม่ว่าจะเป็นข้อวัดปฏิบัติก็มีจุดมุ่งหมายเดียวคือดับกิเลสครับทุกถ้าเป็นประเพณียอย่างอื่นที่ยังต้องแอบแฝงเป็นเพื่อความยึดมั่นถือมั่นเป็นเพื่อสร้างกิเลสในใจตัวเองจะเรียกว่าเรียบประเพณีได้อย่างไงใช่ไม่ใช่เลยอื วัฒนธรรมวัฒน์แปลว่าเจริญทำที่เจริญว่าต่างชาติต่างภาษาในแต่ละประเทศเขามีวัฒนธรรมเอาอะไรเป็นเครื่องว่าอะไรเขาจะเอารูปแบบภายนอกอือยู่แบบมีกฎเกณฑ์มันก็เป็นอริยธรรมของโลกอย่างแต่มันก็ไม่ใช่อริยธรรมของพระพุทธเจ้าหรือใช่เพราะอริยธรรมจริงๆมันอยู่ในพุทธศาสนานะใช่ มันมีสิ่งอะไรอะไรที่ประจักษ์ถึงจะเป็นประเพณีออกมาเขไม่ใช่ประเพณีธรรมดาใช่เลยย่ประเพณีไม่ว่าหลักคำศัพท์ในในวันสําคัญหรือว่าสําคัญทางศาสนาหรือว่าประเพณีทางโลกแต่เมื่อเข้าในพุทธศาสนาขึ้นชื่อว่าเป็นย่าประเพณีนะเพราะว่าเป็นไปเพื่อสร้างปัญญาอืในการอาศัยอยู่กับโลกในการกําจัดกิเลส เป็นไปเพื่อเพิกถอนให้เข้าถึงธรรมะทั้งสิ้นเลยเมื่อเข้ามันอยู่ในพุทธศาสนาจึงขึ้นชื่อว่าอริยะประเพณีทั้งนั้นบางทีเขาเอาทั้งโลกเนี่ยมันต้องสร้างเหตุใชนะ่ไหมบางทีโลกทั่วไปเนี่ยเขาก็เอาวัฒนธรรมตัว น, นั้นเข้ามาอยู่แต่เราก็เมื่อเรามีพุทธศาสนาเข้ามาสถิตแล้วเนี่ยทีนี่ว่าธรรมะมันเป็นอยู่ตลอดเวลาลยนะอยู่นะเมื่อผู้รู้เนี่ยจะมีประเพณีใดๆปุ๊บมันลงธรรมหมดเลยอืมไม่มีอย่างอื่น นี่คืออาศัยทําเป็นที่ตั้งสําหรับผู้รู้ถึงทําเป็นใหญ่ใช่เรียบร้อยดีถึงจะเอาเรื่องวันลอยกระทงขึ้นมาวันเกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราเอาทําเป็นที่ตั้งเพิ่มันก็ไม่พ้นที่จะต้องเรื่องกันให้ทานนักษาศีลแล้วก็เจริญพออนานาคือการสร้างปัญญาทั้งนั้นเลยทําแบบมีปัญญาอืมอมันถึงจะเป็นประเพณีที่สมบูรณ์เมื่อนั้นก็เป็น ประเพณีของโลกที่จะต้องสืบทอดความหลงต่อไปไม่ได้เป็นการเพื่อถอนในความจริงก็เลยไม่รู้จักว่าอไหนคือความจริงที่แท้จริงอันไหนเป็นความจริงอันประเสริฐในความจริงแปลว่าสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงแต่ความจริงมันจะต้องเป็นไปด้วยความเจริญเจริญทางด้านจิตใจการบวชจริงๆนี่มันก็เป็นในเรียกงในเทีในเรื่องพรมาใช่ ที่เขาดีใจกันก็สะดุดขนานกันก็าํากันเราเดือดแฮ่แหนกันนะเขาเชื่อเขามีความสุขบาดีแต่เขาไม่รู้ว่าความดีนั่นคืออะไรอะไรรู้แค่นั้นเองแต่ว่าความเชื่อมันเป็นแต่โบราณมาหรือว่ายิ่งใหญ่ยังมาก็รู้ว่ายิ่งใหญ่อะรู้ว่าดีอ่ะแต่ตามหาความดีนั้นยังไม่พบแต่รู้ว่าดีก็เชื่อตามกันมาก็ นี่พระผู้รู้ที่จะมาถ่ายทอดที่จะมันรักษาหรือว่ามาส่งเคราะห์ในทางโลกในทางประเพณีตรงนี้มนไม่ค่อยมีไงมัาก็เลยสืบมาเหมือนกับชาวบ้านเขาสืบกันทำกันมากก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังตีปริศนาไม่แตแกคุณบวชเนี่ยเขาพูดจริงเขาไม่รู้มาก่อนนะต้องรู้ว่าเป็นประเพณีที่ดีอย่าเงี้ยเบอกเขาบวชใจไม่ได้ม ว, แ ล, ว, วแล้วก็สร้างต้นเลยได้เหมือนกับคนสุข อ, อ, อยากดิบมาเป็นสุขความจริงสุขก็คือการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาให้ละกิเลส ใ, ให้เห็นชอบต่อความเป็นจริงทั้งทางโลกและ ท, ง ท, งทางธรรมเมื่อเข้าใจตรงนี้จึงเรียกว่าสุขสามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยชอบได้นี่เราก็ไม่รู้มาบวชเจ็ดวันหรือ้าวันปันาเยังไม่รู้เลยบางทีไปบวชมากี่พรรษาแล้วยังตายก็ยังไม่รู้เพราะไม่เอาจิงเอาจังในใงถ้าบวชใหม่เลย บงบาองค์ท่านจะตั้งใจนะใ<ช>ท่านก็ถึงท่าน ก, ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงกันหนึ่งไม่มีใครชี้ไม่มีใครชี้ท่านให้ตรงประเด็นไปลงไปนิดเดียว ท, ทีนี่ ร, ระยะเวลาพณีในการบวชก็คือการปฏิบัติธรร ม, มนการปฏิบัติธรรมที่เป็นไปโดยชอบธรรมเนี่ยมันก็ไม่ปรากฏที่สื่อทอดกันจริงจริงจังๆไม่มีก็ทําแค่เป็นรูปแบบว่านั่งสมาธิหน่อยเดินจงกรมหน่อยทําจิตให้สงบหน่อยอืมันก็ได้อยู่นะแต่ได้เปลือก ได้เป็นนิสัยจนกว่าว่าจิตดรงนั้นน่ะจะถูกพัฒนาขึ้นือพัฒนาทางปัญญาใช่ทางปัญญาทีนี้ทางปัญญาจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเสียสละกันให้ทานใช่เมื่อให้ทานแล้วว่าจิตจิตมันอ่อนโยนขึ้นมันก็อยากจะปฏิบัติใช่มันก็เห็นภาวนาอยากอะไรมันก็เห็นคนต่อเห็นแก่ตัวใช่ถ้าคนให้ทานให้อ่ะก็เห็นก็รู้จักเสียสละรู้จักปล่อยวาง ถ้าคนไม่ให้เนี่ยมันก็จะเห็นแก่ตัวจะเอาจะเอ า, เอาก็เห็นคนอีกเห็นในตากรุณามันก็ตามๆๆตามตามตามนะ ต, ต, ตามกันมาในจติตใจเหมือนกันใช่แล้ก็วางไว้แล้วอ่ะเออนี้ว่าอยู่กับคนที่จะปฏิบัติเท่านัน้นเองจะปฏิบัติตามไหมใช่ถ้าไม่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำด้วยอถ้าผู้นำเนี่ไม่เอาจริงเอาจังมาก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นครูเขาไม่ได้ออื มันก็สืบอทอดพุทธศาสนาจริงๆกันไม่ได้เอมันก็ได้แค่รูปแบบไปเรื่อยๆถ้ารูปแบบมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆสามัญสามลึกผิดชอบชุวดีไม่มีใ น, นที่สุดก็ต้องพังก็ต้องหมดไปในการสืบทอดแล้วการสืบทอดมันเป็นเรื่องของธรรมะถึงพุทธกาลนี้ก็หมดแล้ว <laughs> พระเจ้ตัดเลย คนที่เขาหาทางออกเขาเกิดความเบื่อหน่ายเขาอาจจะเกิดปัญญาระดับหนึ่งเขาก็ไม่อยากอยู่ในสังคมอย่างนี้อืแล้วก็จะหลบไปในป่าในเขาเขา ม, มีความเชื่อว่าทําอย่างนั้นมันสงบมมันก็ตัดได้อย่างนึงแต่ก็ปัญญาก็ยังไม่เกิดจริงๆเป็นตัวจิตมันจะพัฒนาเกิดปัญญาขึ้นเลยนะเพราะปัญญา ต, ต, ตัวเดียวนี่ที่จะเป็นดับกิเลสจะไปดับความทุกข์ ส่นมากทั้งอย่างน้อยทั้งก็มีเจตนานะมีเจตนาที่จะดับทุกข์กันไปกันอย่ันหาที่สบายะใช่ก็เชื่อว่าผู้ศรัทธานี่เป็นของดีไงมันจะต้องดับทุกข์ได้ทําเป็นผ้าในีใครก็เชื่อว่าเป็นผ้านี้ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ขึ้นกับบุคคลที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะทำตามนั้นหรือเปล่าอต้องมีเจตนาต้องมีอุดมการได้มันคงที่จะเดินเส้นสายนี้จริงๆ อเสียสลาดต้องปลดปล่อยในใจอย่างจะเจิอะไรก็ต้องปลดปล่อยก็นาอยู่นานนะะอยู่นานเนี่ก็เอ๊ะมันก็น่าที่จะดับทุกได้นะไม่เอาอะไรได้แต่มันก็มีช่องทางที่จะสร้างวิเลสอีกต่อไปแต่เขาบังคับให้บวดตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ต้องดิ้นโนกัดแหวนอีกนะที่จาไม่เข้าใจก็ยกข้อแถลงให้เ <serving> ห็นสมนะ ยกอไะไรไรงี้โน้นนี่นี่ยกแม่น้ำทั้งห้ามาให้เขาเ <ไ S 1> จื่ อ, อแต่เมื่อกิเลสไม่หมดก็มีสิ่งแแฝงที่ปัจจณา <c oughs> ใช่ที่จะเอามาอืมสร้างเหตุกันไปฉลาดความฉลาดก็สร้างเหตุอืมสร้างเหตุเพื่อจะได้มาซึ่งซึ่งลาบยลสรรเสริญเงินทองลงนนะอืมสิ่งตัวเี็กมันแอแฝงอยู่อืแฝงอยู่ภายในพระเจ้าบอกพุทธบุตรเนี่ยบุตรของพระทธองค์เนี่ย จะไม่เป็นไปเพื่อลาบยศสรนเสริญเงินทองบุตรของพระ อ, องค์นั้นจะต้องเป็นไปเพื่อเพิกถอนลาบยศสันเสริญเงินทองอุปทานให้หมดสิ้นเข้าสู่สภาวะธรรมอันบริสุทธิ์จึงขึ้นชื่อว่าบุตรของตถาคตพรองค์ทรงตัดไว้อย่างชัดเจนแต่ว่ามาบวตรเขขึ้นชื่อว่าเป็นบุตรแล้วทําไม่ได้ทําตาม่ะก็ยังไม่เป็นบุตรที่แท้จริงนะยังมีความปัถ น, นา ไม่ละความปัทนาแบบทางโลกที่จถึงจะเป็นพุทธบูชาจริงๆใช่ในถึงจะเรียกว่าเข้าถึงพระนาา้าใจถึงจะรู้ว่าเอาพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงอะไรพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นผู้แตสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นสถานโดยชอบด้วยพระองค์เองจัดอาสา่าคิเลตมีคุณธรรมตรงนี้และธรรมที่ท่านสอ่งสอนก็เรียกว่าพระธรรมคือ น, นําในสู่คําดับทุกข์พระรีสงพอพึ่งปฏิบัติตามลำดับทุกข์ได้จรงขึ้นชื่อว่าพระพระีสงไม่เรียกว่าพระน้าใจ แท้จริงก็คือธรรมะที่ว่างจากกิเลสว่าองนั่นแหะคือพระว่าใจตัวหนึ่งจำแนกแจกแจงให้กับผู้ที่ยังไม่รู้ใช่ผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผู้ใ ด, ดเห็นสถานคดเห็นความว่างอะ่ะก็เห็นพระว่าใจนั่นแหละพระว่าใจก็คือความบริสุทธิ์หมดจดถ้าใครเข้าไปสู่พระว่าใจก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดอืมไม่ได้แตกแยกกันเลยเป็นธรรมอันเดียวกันหมด นั่นเองจะเห็นว่าพระาใจเรียกก็พูดพระใจกันก็พูดกันทุกคนละแต่ไม่รู้ว่าพึ่งยังไงให้ไปพึ่งเนื้อใจเปที่พึ่งนะโยมนะอะไรอย่เงี้ยจะได้แต่ภาวนาพุโทโธธรทมโสงดงแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่พึ่งไม่รู้ว่าเนื้อใจคือ<ผ>อะไรพระพุทธเจ้าเคยตัดสอ น, นในเรื่องของความเป็นอัตตาตัตวตนว่ามีทำเป็นที่พึ่งตนมีอะไรเป็นที่พึ่งก็คือธรรมะนั่นเองเราทําไมาเป็นที่พึ่งว่าพึ่งพระใจก็คือธรรมะนั่นเอง ถ้าเราเพึ่งได้ดับกิเลสได้นั่นแหละเรามีที่พึ่งอืถ้าเราไปพึ่งอยู่ภายนอกซึ่งไม่พึ่งปัญญาที่จะละกิเลสให้รู้ชัดตามความเป็นจริ ง, งมันก็พึ่งอะไรไม่ได้ยังไม่เรียกว่าเป็นที่พึ่งใช่อยังเข้าไม่ถึงในค<ม>วามเป็น<ม>ที่พึ่ความเห็นตรงนี้ยมันก็ไม่มีใครที่จะชี้นํานตรงนี้ได้เมื่อไม่ชี้นํานตรงนี้ได้มันก็ไม่สามารถที่ว่าเราจะมีความศรัทธามีความมั่นคงจะเดินในเส้นทางนี้ที่มันถูกต้องได้ ใจก็ไม่มีกําลังไม่มีกําลังเจตนาที่เคยมีมันไม่มีตัวนี้เข้ามาให้เห็นให้เกิดปัญญามันก็จะเดินต่อไปก็เดินไม่ได้มันเดินไม่ได้มันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแบบโลกอ่เบื่อหน่ายแบบว่ามันไปไม่ได้แล้วก็ไปแบบตกโลกไปอยู่มันสุขอยู่กันไปมันก็เลยขาดความมั่นคงในหลักธรรมในพุทธศาสนาหรือกเปีนหลวงตาที่เราเจอนะที่วัดเดือน ก็บ่นเลยละออกก็เปล่าเนี่ยถ้าละออกไปเปลี่ยนเลยอืมเรากลับไปใหม่อยากเบืวก็อ่าภาษาเดียวก็พอทำมากไม่มีจริงวะปวเจอถึงขนาดนั้นพอใจแล้วนะอะไรตุ่งไปทั่วอะไรปฏิบัติไปด้วยแล้วก็ตัวเองรู้แล้วเราพูดก็พูดไม่ได้อเพราะเตั้งในความเห็นเขาอย่างนั้นแล้วนั่นเป็นด้วย หมดหวังไใช่ความไม่รู้จริงคเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาเรียกว่าเห็นผิดถ้ารู้จริงเข้าใจธรรมชาติจริงๆนะมันจึงเรียกว่าสมาธิเห็นชอบมันต้องเห็นธรรมอย่างเดียวอเองจะเห็นชอบจริงๆออย่างนั้นก็ยังไม่ถือว่าเห็นชอบอืยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมนะต อ, อนน่ากิเลสมันก็เดินต่อไปออื สุดกระชาติจิตให้วิ่งไปตามกระแสโลกเหมือนเดิมโลกโลก็หลงได้พูดอย่างนั้นทำให้คนอื่นท้ออีกนาากนะฮะไมใช่อืมทนได้คขับทำนะ้ความจริงมันมีอยู่มีอยู่จริงด้วยแต่คนหาไม่เจอ ถามไม่ออย่างที่พูดกันว่านะหิมน้อยสายเขาลืองเขตั้งเบื้องไขไม่ออกมันเรื่องจริงเลยฮะมันเป็นปริศนาชีวิต <g ül> เราก็พูดต่อๆกันมา ช, ชีวิตเนี่ย ค, คือธรรมะธรรมะคือชีวิตเรื่องจริงเลยธรรมะเราคือชีวิตในชีวิตเราคือธรรมะเราเราไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมะน่ะเอถูกกิเลสครอบําได้ กับกลายเป็นแม่ไม่รู้ธรรมะไม่รู้จักชีวิตคนไม่รู้จักชีวิตนึงก็ต้องหลงไปตามภาวะนั่นแหละจะความเห็นผิดเข้าไปแบบไรสาระ <c oughs> ไรแก่นสารสิ่งที่เป็นสาระคิดว่าไม่เป็นสาระอีกจริงสิ่งที่เป็นไม่เป็นสาระนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นสาระแหละมันมีอยู่ในนั้นพูดกันไปสุนยอดาทำความว่างพูดกันไปอืม พูดแต่ทำความเห็นไม่ถูกต้องไม่เห็นจริงในตําแรกมันถูกห่วมเหนียวด้วยภาวะของความเพลิดเพลินความยินดีที่เราสมมติเรียกว่าตัณหา เ, เป็นเหตุตลอดเวลาเลยส่วนใหญ่ความความว่างของเขาเนี่ยมันเกิดจากสมาธิเท่านั้นแหละแล้วเขาก็ตรงนี้มาพูดในสมาธิเนี่ยมันสงบอ ใ, ในความสงบเนี่ยมันก็ไม่ยึดติดอะไรนะมไม่ยึดติดแบบหยาบ ก็คิดว่ามันเป็นธรรมะแต่ถ้ามันเห็นชัดจริงๆอะในความสงบก็ไม่ยึดติดนี่แหละยังนี้ถึงจะเป็นธรรมะจริงๆนะ ม, มันก็ไม่ได้ว่างด้วย <laughs> น, นั่นแหละเราถึงจะเข้าใจความว่างที่แท้จริงอพอเราบอกว่าไม่ใช่วา่างเขาก็บอกว่ามันเป็นอัตตาอัตาเนี่ย ไม่จะเข้าใจง่ายเลยอัตตาเนี่ยมันบวกสมมุติอ่ะมีเหตุมีปัจจัยอะเพราะเราอาศัยสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นอัตตาถ้ามันไม่มีอัตตามันก็ไม่มีสมมติก็คือจิตมันว่างมันจึงไม่มีสมมติมันไม่มีตัวปรุงแต่งไม่มีการสร้างอะไรๆออกมาจากจิตว่าเป็นแต่งว่าอัตตาหรือหน้าตาก็ยังไม่ดู สมมุติอะไรมั น, นยังไม่ถูกทั้งั้นสมมุติมันจึงบงังความจริงบังธรรมะเนี่ยืมบังหมดบังพนนันธุ์านใช่เรียนมากก็บางทีก็ยึดติดในการเรียนหลับในภาษาในความหมายของความปเป็นธรรมมันก็ปิดกั้นอีกในการเรียนเนี่ยมันเป็นเพียงหนทางหนึ่งเท่านั้นเช่นปริยัตเนี่ยหัวข้อธรรมต่างๆวิธีการปฏิบัติธรรมต่างๆ มันก็เป็นแค่ตัวหนังสือจะเป็นแค่หัวข้อทำมันแค่ภาษาความหมายยังไม่ลงมือปฏิบัติ